พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อหนึ่งความว่าพระดำรัสสอนเรื่องการทำทานจงระวังอย่ากระทำาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ และในข้อเดียวกันนี้จะขออ่านจากพระคัมภีร์ฉบับแปล NIV ที่จะช่วยเราในการใคร้ครวนในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อหนึ่งเช่นเดียวกันเขียนไว้ดังนี้เอื้อเฟื้อแก่คนขัดสนจงระวังอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ ผู้เผยพระวจนะสำหรับเราในวันนี้คือท่านศาสนาจารย์ชาบชายจารุวาทีท่านเป็นศิษย์พิบาลคริสจักรใจผูกพันสังกัดคริสจักรภาคที่17ท่านเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันกรุงเทพคริสเตศนาศาสตร์หรือบ i t ทขอเรียนเชิญ ขอสวัสดีและขอพระพรมาถึงพี่น้องสมาชิกคริสจักรวัฒนานะครับผมในนามของตัวแทนของคริสจักรใจผูกพันต้องขอบพระคุณมากที่ได้ให้โอกาสผมในการที่รับใช้ในเช้าวันนี้นะครับอันที่จริงเวลาที่ผมมาคริสจักรวัฒนาเนี่ยก็ยจะมาเรียนรู้ซะมากกว่าก็คือมาพบอาจารย์ศึกษาแล้วก็เรียนรู้หลักการรับใช้แล้วก็หลักการดรําเนินชีวิตต่างๆแต่วันนี้มีโอกาสได้รับใช้ร่วมกับอาจารย์ศึกษานี้ถือว่าเป็นเป็นเกียรติในงานรับใช้อย่างยิ่งนะครับผม ก็ในเช้านี้อยากจะชวนเชิญพี่น้องที่จะได้มาทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในใจเราการทำดีไม่เป็นเรื่องดีครับใช่ไหมครับการทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแหละแต่ครนี้การทาดีเนี่ยมันก็การทำดีอะไรเนี่ยทำอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ไม่สําคัญเท่ากับการทำสิ่งนั้นด้วยสาเหตุใดเพราะว่าถ้าเราดูในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยการโดยสรุปก็คือว่า บ่อยครั้งทีเดียวที่เราพบว่าในพระคัมภีร์เองเนี่ยพระเจ้าทรงไม่สนใจใยดีกับความดีบางความดีที่บางคนกระทาเพียงเพราะว่าเขาทําความดีเหล่านั้นด้วยแรงจูงใจที่ผิดที่หนักไปกว่า น, นั้นคือการทําความดีด้วยแรงจูงใจที่ผิดนอกจากจะไม่มีรางวัลให้แล้วเนี่ยยังถูกพิพากษอาอีกด้วยดัยงนั้นชีวิตคริสเตียนมันแตกต่างจากแตกต่างจากชีวิตที่เราเคยมีครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเออทำดีกันเข้าไปทําดีด้วยอะไรก็ได้เหตุผลอะไรก็ได้แล้วเราก็จะได้รับ รางวัลหรือความดีไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่ทำไม่สำคัญเท่ากับเหตุผลที่ทำางนั้นวันนี้เราจะมาสำรวจด้วยคำถามนี้ด้วยกันว่าทำไมเราจึงทำดีนะครับผมเรามาดูถึงเหตุผลต่างๆบางประการที่คนเราเนี่ยทำดีอันที่หนึ่งบางคนเนี่ยครับทำดีเพื่อหาโอกาสที่จะยักยอก <N cha o> น่าเสียดายอันนี้ก็มีอยู่นะครับนี <N cha o> อันที่จริงแล้วการที่เราการที่เราเนี่ยครับทําดีแล้วก็ได้ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโอเคนะครับมันก็เป็นเรื่องโอเคคือเป็นเรื่องที่ปกติเวลาคนทําดีใช่ไหมก็ควรจะได้รับสิ่งดีอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทําดีเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์ในการที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่แล้วคือ การที่เราเองเนี่ยสมมุติว่าเราทำตามกฎจราจรเนี่ยมีใครเอาของขวัญมาให้เราไหมครับไม่มีเพราะอะไรครับมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําอยู่แล้วไงมันไม่มีใครมาปรอบมือชมเชยหรอกเวลาที่คนทําตามกฎจราจรขณะที่คุณขับรถอะมันก็เหมือนกันครับขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้และเราทําความดีนะมันก็ไม่สมควรจะต้องได้รับอะไรหรอกเพราะว่ามันมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราจะต้องทำมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วถ้าเราละเลยแล้วไม่ได้ทําสิเอออันนี้มันผิดเพราะว่า ใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรเป็นการดีเราไม่กระทําคนนั้นก็เป็นบาปเพราะความดีมันคือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์อย่ามาบอกว่าเออเราเราไม่ต้องการจะเป็นคนดีอะไรมากนะักไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ยังเป็นจะต้องเป็นคนดีอะไรมากเพราะว่าความการทําดีมันเป็นวิถีชีวิตปกติของของพวกเราทุกคนอยู่แล้วจริงๆแล้วพวกเราทุกคนยังไม่ได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นคริสเตียนก็มี หน้าที่เดียวกันนะแต่ว่าโดยการที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราได้รับกําลังพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทําความดีที่เราเคยทําไม่ได้เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับครานี้มันก็มีบางคนที่ที่ทำดีแล้วก็ไปรับในสิ่งที่มันที่เขาไม่สมควรจะได้รับคือการทําดีแล้วได้รับในสิ่งที่สมควรมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีอะไรพิเศษแต่บางคนนี่แย่แบบนั้นคือทําดีแต่ไปรับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับคือได้รับเกินกว่าที่ตัวเองทาไว้อนะ ยกตัวอย่างเช่นมีคนใช้คนหนึ่งของเอลิชาผู้เผยโพจนะชื่อว่าเกฮาซีวันนี้ผมคงจะไม่ได้นําพี่น้องเปิดภาคคัมภีร์มากนะักเพราะว่ามีตัวอย่างเยอะแล้วก็จะขอให้พี่น้องได้กลับไปทบทวนในสิ่งที่ได้คุยกันวันนี้นะครับแต่ให้เราดูถ้าเกิดว่าพี่น้องจะจดไว้หรือว่าจะดูประกอบนี่ก็ดูในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่5ซึ่งเป็นตอนที่แม่ทัพที่ชื่อว่านาอามานเนี่ยมาจากประเทศซีเรียเพื่อขอให้ผู้เผยเพระวจะนะเอลิชาเนี่ย รักษาโรคเรื้อนของเขาให้หายหลังจากนั้นผู้เผยโพระเจ้าเอลิชาเนี่ยก็อธิษฐานจากพระเจ้าขอให้นาอามานเนี่ยหายโรคนะครับเมื <ME> ่อนาอามานในี่สุดหายโรคก็คือสั่งให้ไปอาบน้ำนะครับในแม่น้ําจอแดน7ครั้งอันนี้เรื่องราวรายละเอียดคงไม่ลงไปนะครับหลังจากที่นาอามานหายโรคแล้วเนี่ยนาอามานก็ต้องการที่จะมอบของขวัญเพื่อขอบคุณเอลิชาที่ทําให้นาอามานเนี่ยหายโรคแต่เอลิชากล่าวว่าเก็บของทํานไว้เถอะเราไม่ต้องการของอะไรท่านเลย อาจจะไม่ได้บอกเหตุผลว่คืออะไรแต่เราพอจะพอจะเดาได้คือพอจะเข้าใจได้ว่าเอออันนี้หนึ่งคือมันไม่ใช่งานของเอลิชาที่ทําให้เขาหายแต่เป็นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าจะให้ก็ให้พระเจ้าเถอะจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นคือเอลิชาไม่ไม่รับของกํานันนี้ด้วยสาเหตุบางประการหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับนาอามานก็กลับบ้านไปแต่ในขณะที่กําลังเดินทางกลับไปเนี่ยเกฮาซีคนใช้ของเอลิชาคนใช้ของเอลิชาก็รู้สึกเสียดาย ว่าทําไมเจ้านายเราเป็นคนไม่ฉลาดเลยเขาเอาของดีๆมาให้ตั้งเยอะแยะมากมายของแพงๆนั่นเลยนะครับน่าจะเก็บเอาไว้เกฮัสีก็เลยแอบย่องออกไปนะครับไปพบกับนาอามานกลางทางเราก็โกหกหนาอามานว่าเอลิชาใช้ให้มารับของกํานันมีเหตุฉุกเฉินจึงต้องมารับของกํานันจนในที่สุดนาอามานก็ดีใจนะที่จะให้ของกํานันนั้นไปก็เลยให้ของกํานันเนี่ยกับเกฮัสีไป หลังนั้นเกฮซีกลับมาพบกับเอลิชาเอลิชาก็บอกว่าไปไหนมาแล้วเกฮัซีก็ตอบว่าเปล่าครับไม่ได้ไปนอกจากเจอโลคแล้วก็ยังโกโหกต่างหากดังนั้นเอลิชาก็เลยบอกว่าเพราะว่าเจ้าทําในสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์โลกเรือนของนาอามานก็จะมาอยู่บนตัวเจ้าเพราะว่าเขาไม่ควรจะได้รับแต่ไปโกหกเพื่อจะได้รับสิ่งนั้นมา น, นี้คือเหตุผลบางประการที่คนบางคนทําดีทําดีเพื่อหวังจะเข้าไปหาโอกาสในการยักยอก มีคนนึงที่อยู่ในพรรคคอมมิวน์ใหม่ที่คล้ายๆกันแกล้งทําเป็นอยู่ในกลุ่มคนดีแกล้งทํามามีส่วนร่วมในการทําดีเขาคือยูดาสอิสคาริโอตยูดาสอิสคาริโอตนี่ถือว่าถือว่าถ้าเอาภาพลักษณ์ของสาวกสิคนที่เหลือมาเปรียบ mm hmm. เทียบกับยูดาสเนี่ยยูดาสดูดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมว่าน่าจะดูดีกว่าเปร่อรอดได้ซ้าไปถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้นํากลุ่มเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นคนดูแลเงินปกติ เวลาคุณจะให้ใครดูแลเงินเนี่ยคุณให้คนแบบไหนดูแลเงินใช่ไหมก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้นะต้องดูเป็นคนซื่อสัตย์นะต้องดูเป็นคนดีถึงจะให้เป็นคนที่ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางหรือเป็นเฮเลนยิกหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับนะยูดาสก็ได้รับหน้าที่นี้ในการดูแลเงินแสดงว่าโดยภาพรวมที่คนมองเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนดีซื่อสัตย์เลยทีเดียวแหละแต่เขาไม่ได้มาทําความดีเพื่อจะทําความดีเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าเขามาทําความดีเพื่อจะหาโอกาสยักยอก แล้วเราพบในพระธรรมยอมบทที่12อธิบายไว้ว่ายูดาสเนี่ยบ่อยครั้งก็จิกเงินออกมาจากอกองกลางเขาว่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฮเลนยิกแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเฮเลนจิกก็มีอะไรก็หยิบออกมาบ้างเขาตัวเขาตวงเขาเองซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับนะคนบางคนก็มาทำทำความดีเพื่อหาอากาศยกยอกยักย อ, กยอก ทุกวันนี้เราก็เราก็เห็นอยู่ในวงการสังคมบางสังคมที่ผมไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยไปพาดพิงเดี๋ยวจะเดือดร้อนบทวัฒนาพอพูดผ่านไม้ของบทวัฒนาแต่พี่น้องคงจะทราบหมายความว่าอะไรคนบางคนอาสาสมัครเข้ามารับใช้บ้านเมืองใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาด้วยจิตใจที่ต้องการที่จะรับใช้บ้านเมืองจริงๆแต่เข้ามาหวัง จะยักยอกจากแผ่นดินไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวงความดีที่พระเจ้าไม่อภิเชตหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทําแม้ว่าผลงานมันจะออกมาก็ตามแต่ว่าแต่ว่าเขาจ้องที่จะยักยอกสิ่งเหล่านั้นออกมานะครับนั่นก็จริงว่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเทียนนะให้บางคนพี่น้องคริสเทียนมาบอกผมนี้เลยว่าอย่าไปยุ่งการเมืองแล้วก็ห้ามเล่นการเมืองให้อะไรผมบอกแล้วรัวบบ่นทําไมถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีส่วนทางการเมืองนะแล้วคุณจะบ่นเกี่ยวกวับนักการเมืองทําไมมันเสียเวลามากเลยมันเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างเสียพลังงานเสียความรู้สึกเพราะถ้าคุณบ่นเรื่องไหนคุณต้องมีส่วนเรื่องร่วมในเรื่องนั้นด้วยคริสเตียนไม่ได้ถูกห้ามในการเล่นการเมืองอยิ่งยิ่งเป็นคริสเตียนต้องยิ่งมีส่วนร่วมในการเมืองด้วยซ้ำไปแล้วเขาบอกว่าแต่การเมืองมันสกรปรกผมก็บอกว่าดีคุณก็เข้าไปทาําความสะอาดสิถ้าคุณเห็นว่ามันสกรปรกคุณต้องมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทําให้มันดูดีขึ้นไม่ใช่ปลีกตัวออกมาแล้วก็ทําให้ตัวตัวเองดูดีแล้วก็ไม่แตะต้องอะไรเลยแล้วก็ชี้มือด่าคนหนึ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าทําแบบนั้นใครๆ ก, ก็ทําได้ทุกๆเช้าเนี่ยสภากาเฟ่เขาก็ทําเป็นไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือด่าอย่างเดียวแต่ไม่ทําอะไรเลยถ้าคุณอยากจะเห็นอะไรมันดีขึ้นเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามถ้าเป็นข้าราชการทําในสิ่งที่มันใสสะอาดถ้าเป็นทํางานบริษัทอย่าไปให้สิ่งบนใครถ้าคุณเข้าไปเป็นนักการเมืองขอบคุณพระเจ้าทําให้เป็นแบบอย่างให้เห็นว่าการเมืองสะอาดได้ในมือของคนที่มีใจที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง แล้วคุณจะเป็นแสงสว่างในวงการการเมืองได้แล้วคุณจะเลิกบนสัทีว่ามันโสโปรปกมันมืดมันอะไรเพราะถ้าไม่มีคริสเตนเข้าไปมันจะสะอาดได้ยังไงใช่ไหมครับขอพระเจ้าเมตตานําพาคริสตจักรวัฒนาเป็นคริสตจักรที่นะมีมี power น่าจะมีโอกาสเข้าไปทําอะไรสักอย่างในในวงก า, การการเมืองแต่ขอให้เข้าไปทําด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องอย่าให้เข้าไปด้วยแรงจูงใจแบบข้อหนึ่งนี้ก็แล้วกันนะครับประการที่สอูด <c oughs> ละครแห้งเลยเรื่องการเมืองนะ ประการที่สองครับทำดีเพื่อให้สังคมเยินยอบางคนนี่ก็ทําความดีไม่ใช่เพื่อที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติแต่ว่าทําความดีเพื่อเพื่อจะรับการปรบมือจากสังคมหรือเพื่อจะรับคําชมเชยจากสังคมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็มาจากพระธรรมกิจการบทที่5มีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับชื่ออนันเนียกับซัฟิราเขาเห็นว่ามีเพื่อนพี่น้องคริเสเตียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาราบัสเนี่ยถวายทรัพย์ แล้วก็น่าจะถวายมากนะเราไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เราพอจะรู้ว่าน่าจะถวายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาเลยปกติถ้าถวายทั่วๆไปคงจะไม่มีข่าวแต่พอถวายปั๊บเนี่ยมันเป็นข่าวขึ้นมาให้คนเนี่ยได้คุยกันพราะคนได้คุยว่าเป็นข่าวโอบาลานาบัสเนี่ยมีที่ดินก็ถวายเสียแล้วก็เอาเงินมาดูแลพี่น้องคริสเตียนนะรับใช้พระเจ้านะคนก็คุยกันบาลานาบัสเนี่ยไม่ได้สแสวงหาการชื่นชมนะครับแต่คนเขาชื่นชมบารานาบัสเองอันนี้ไม่ผิด เราไม่ได้สแสวงหาแต่คนเข้ามาชมเราเองเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไปปฏิเสธไม่จริงไม่ผมไม่ได้ทําไม่ใช่คุณ ท, ทําก็คือคุณทําแต่คุณก็ถวายเกียรติพระเจ้าไปก็คือแบบขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคุณของพระเจ้าที่ให้ผมทําให้ผมช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรงนี้เป็นต้นให้มีพระเจ้าอยู่ในการที่คุณจะระลึกถึงสิ่งที่เขาชื่นชมคุณ <fiction. S 2> ก็ขอบคุณเขาไปที่เขาลึกระลึกถึงแต่คุณก็ถวายเกียรติพระเจ้าไปในเวลาเดียวกันการที่คนอื่นมาชื่นชมเราโดยที่เราไม่ได้แสวหงหาไม่ใช่เรื่องผิด แต่การที่เราจะพยายามแสวงหาการชื่นชมจากคนอื่นด้วยการพยายามทําดีบางอย่างเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จนกระทั่งอานาเนกะซัฟฟิราเนี่ยตกหลุมพรางนี้แล้วเขาก็ถวายทรัพย์หรือทําความดีเนี่ยโดยมุ่งหวังที่จะได้รับการชมเชยแล้วก็มีการโกหกเกิดขึ้นด้วยในที่สุดเขาก็ไปบอกอคาลัตทูปว่าเนี่ยถวายหมดตัวเลยทั้งหมดเนี่ยที่มีนะไปขายที่ดินแล้วก็ให้ทั้งหมดเลยอคาลัสาวะก็บอกว่าทําไมต้องทําแบบนั้นคือแค่ถวายเนี่ยก็ก็ สมควรอยู่แล้วไงก็ได้รับคําชมในระดับหนึ่งแล้วทําไมต้องโกหกด้วยว่าถวายหมดตัวทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้าก็เก็บไว้บางส่วนอันที่จริงทรัพย์สินเป็นของเจ้านะเจ้าจะถวายเท่าไหร่มันก็เรื่องของเจ้าไม่ควรเลยที่เจ้าจะไปโกหกคนแบบนี้แล้วก็ทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าก็มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องผลที่ตามมาคืออะไรครับถึงขั้นตายเลยนะครับเขาก็ในที่สุดพระเจ้าก็รับเขาขึ้นไปเราก็พบว่าบางครั้งพระเจ้าก็รับเราขึ้นไปนะเร็วกวา คนอื่นเขามีหลายสาเหตุแต่บางคนก็เพราะว่าเหนื่อยแล้วแล้วก็พระเจ้าเห็นว่าควรจะพักผ่อนแล้วแต่ในด้านกับกันบางคนก็ไปเร็วเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่ก็ยิ่งเดือดร้อนคนอื่นเขาแล้วก็ยิ่งอยู่ก็ยิ่งจะทําให้บําเหน็จตัวเองหายไปมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าก็บอกพอละขึ้นมาได้ละเดี๋ยวมันจะทํายุ่งยากไปกว่านี้นะอะไรอย่างนี้แล้วขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเปล่าๆพระเจ้าเตรียมไม้เรียวไว้ด้วยอันนั้นก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะครับเหตุผลประการต่อมาครับบางคนทําดีเพื่อให้ครอบครัวยอมรััับบนนะครยยกตวอ่่างเช มาระโกลูกพี่ลูกน้องของปาราบัสเนี่ยเขาก็นะทำความดีเพื่อที่จะทํราะความดีเพราะว่าเขาน่าจะเกรงใจ ญ, ญาติของตัวเองอชวนไปก็ไปจริ ง, รงๆเขาก็ไม่ได้มีกระใจที่จะไปทำงานรับใช้พระเจ้ากับกับเปาโลกับบาราบัสหรอกแต่ว่าชวนไปก็ไปผู้ใหญ่ชวนผู้ใหญ่ในบ้านชวนก็ไปก็ทำนะก็เลยไปพอไปแล้วปรากฏว่าอะไรครับเนื่องจากแรงจูงใจตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มั่นคงไม่ถูกต้อง พอไปถึงกลางทางเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยก็เลิกก็ทิ้งงานรับใช้พระเจ้าไปเพราะว่าแรงจูงใจตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่เกิดจากการที่เกรงใจผู้ใหญ่วันนี้ผมต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเพราะว่าเคยพูดเรื่องนี้นะผมบอกตรงเคยพูดเรื่องนี้ในที่อื่นแล้วก็รู้ว่าคนบางคนเนี่ยก็ไม่พอใจทันทีกระทืบเท้าลุกออกไปเลยเพราะว่าดนใจแต่ ต่ผมก็ไม่หยุดพูดเพราะว่าไม่เป็นไรคุณเดินออกไปก็ยังมีอีกร้อยคนนั่งฟังอยู่ผมไม่ว่าอะไรนะก็คือว่าถ้าคุณผมถามพี่น้องคริสเตียนหลายคนเนี่ย ท, ที่เป็นลูกหลานคริสเตียนแล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้คนในครอบครัวคุณเช่นพ่อแม่พี่น้องของคุณเนี่ยเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วหยุดมาโบสเนี่ยคุณจะยังมาโบสต่อไปไหมคุณจะยังเชื่อพระเจ้าต่อไปไหมคุณจะยังรับใช้พระองค์ต่อไปไหมไม่ต้องตอบก็ได้ แค่ลังเลผมก็รู้แล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่ไม่ต้องตอบก็ได้แค่ลังเลก็แย่พอแล้วเพราะว่าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจริงมันจะต้องไม่เกี่ยวกับญาติพี่น้องมันจะต้องไม่เกี่ยวกับพ่อแ ม, ม, อ ม, อแม่มันจะต้องไม่เกี่ยวกับการที่ใครสักคนหนึ่งกดดันคุณให้รับใช้อยู่ในเวลานี้อย่ารับใช้เพราะเกรงใจ ญ, ญาติแม้ว่าจะมีญาติเยอะอยู่ในโบสถ์ก็ตามแต่การรับใช้พร้อมกับญาติเป็นเรื่องดีและอบอุ่นเพียงแต่ว่าต้องไม่ให้สิ่งนั้นกลายเป็นเหตุผลหลักในการที่เราจะรับใช้ พี่น้องพอจะแยกออกใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันผมบอกอีกทีนะการรับใช้กับยายพี่น้องเป็นเรื่องดีแล้วอบอุ่นผมแฮปปี้มากเลยที่ผมจะรับใช้กับลูกๆ ก, กับภรรยากับยายพี่น้องผมแฮปปี้แต่ต่อให้เขาหยุดรับใช้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะสะดุดจะอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถจะหยุดงานรับใช้ที่ที่ผมอยากจะทําต่อไปได้เพราะผมไม่ได้รับใช้เพราะเขาเราแยกออกเราต้องเราต้องบอกว่าเรานมัสการพระเจ้าอยู่อย่านมัสการครอบครัวคนอยู่ถ้าใครก็ตาม หยุดเชื่อพระเจ้าเพราะว่าถ้าวันนี้นะลองถามใจตัวเองว่าถ้าถ้าครอบครัวเลิกเชื่อพระเจ้าเออผมก็ไม่รู้จะมาโบสถ์ทำไ ม, มผมก็คงจะเลิกเชื่อพระเจ้าไปด้วยแปลว่าวันนี้คุณยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยคุณยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยเพราะว่าการเชื่อพระเจ้านั้นมันต้องไม่เป็นไปตามที่คนอื่นบอกให้เชื่อมันต้องเกิดจากแรงงจูงใจและความสมัครใจของตัวคนเองเท่านั้นถ้าคุณเชื่อตามคนอื่นอยู่คุณกําลังนมาสการคนที่คุณตามอยู่นั้นไม่ได้ตามพระเยซูคริสต์อยู่ ทำรองเดียวกันในการรับใช้ของคุณเนี่ยในการทําดีของคุณเนี่ยอย่าทําดีเพราะเกรงใจผู้ใหญ่อย่าทําดีเพราะเกรงใจญาติหรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้น้อยก็แล้วแต่อย่าทําดีเพราะเกรงใจใครแต่จงทําดีเพราะพระเจ้าบอกให้เราทําแล้วก็เรามีแรงจูงใจที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับผมขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครรู้กอ่าไปแต่ถ้าอยากจะข้องน้ําไม่ว่าอะไรนะอย่าอย่าอย่าคิดว่าผมจะโกรธหรืออะไรผมชินแล้ว โดนประจำครับโ ด, โดนโดนวอล์กเอาประจําเข้าใจได้ประการที่4ครับเราทําดีบางคนเนี่ยทำดีเพื่อให้คนอื่นดูย่ําแย่ลงไปโอ้นี่ไร้ากาศมากนะบางคนย ก, ยกตัวอย่างเช่นผู้นําที่คริสจักรฟิลิปปีจําได้ไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่ามีคนบางคนเนี่ยทำความดีด้วยใจริษยาหวังจะเพิ่มความยากลําบากให้กับชีวิตของข้าพเจ้าคือเขาต้องการทําความดีแข่งกับอาจารย์เปาโลเปาโลเพื่อให้อาจารย์เปาโลเนี่ยดูแย่ดูทำทำ ทำตัวแบบผิดถึงต้องไปติดคุกถึงต้องทําอะไรที่กับถึงต้องตกระกำลังลบากแต่ว่าเขาเนะี่ยทำความดีแล้วเขาได้ดีกว่าและวเขาก็มีสถานะดีกว่าเปาโลนะเขาก็แบบว่าทุกอย่างทําถูกต้องมากกว่าเปาโลทําผลงานดีกว่าเปาโล <apolis S 2> อะไรมากมายที่เขาจะพูดกันไปมีครับบางครั้งบางคราวที่ใครบางคนเนี่ยทำความดีเพียงเพื่อที่จะเอาความดีของตัวเองเนี่ยไปข่มคนอื่นเอาความดีของตัวเองเนี่ยไปข่มคนที่เขาเกลียดอยู่คนบางคน แย่งคนอื่นทำความดีด้วยซ้ไปแต่ไม่ได้แย่งเพื่อที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทําความดีแต่แย่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งไม่สามารถจะมาทําความดีนั้นๆได้เพื่อคนคนนั้นที่เขาเกลียดอยู่เนี่ยจะได้ไม่ได้รับเครดิตจากการทําดีที่ตัวเองแย่งมาทําแทนซับซ้อนดีไหมครับคนเ่านี้ไม่ใช่ธรรมดาการเมืองไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะในสภาแต่มันอยู่ในชีวิตจริงของพวกเราด้วย <c oughs> มีหลายคนเลยที่ผมเคยเจอแล้วมีหลายคนที่ <c oughs> ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็นเวลานี่นะ เคยเจอคนที่มาทำความดีแข่งกับผมอ่ะมาทำความดีแข่งกับศรีพิบาลแหละแต่ว่าทำความดีเพื่อที่จะด่าผมว่าทำได้ไม่เท่าเขาแต่ผมบอกให้ว่าไม่สำเร็จหรอกครับเพราะว่าผมดีใจที่ผมเหนื่อยน้อยลงผมไม่ว่าอะไรเลยอยากทำความดีเหรอผมผมส่งผมส่งเสริมเต็มที่เลยอยากทำนี่รานี้ผมไม่กลัวะไรที่ผมจะดูแย่เพราะผมกม็มีอะไรไม่มีอะไรจะให้ดูดีอยู่แล้วก็วเลยเให้ผมดูแย่เหรอเออเอาเลยไม่เป็นไรครับไว้ตราบใดที่ คุณทําความดีผมก็ดีใจแต่ผมไม่ชื่นใจหรอกที่คุณทําด้วยแรงจูงใจแบบนั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมคุณก็ไปคุยกับพระเจ้าเองว่าทําไมคุณทําแบบนั้นเพราะที่ผมดีใจไม่ได้ดีใจเพราะแรงจูงใจของคนแต่ผมดีใจที่มีใครบางคนได้รับผลดีจากความดีที่คุณทําไม่ว่าคุณนั้นจะทําด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าผมทํา ไม่ว่าจะเฮ็ดด้วยเหตุผลใดก็ตามก็มีคนได้รับสิ่งที่ดีถ้าคุณทําไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็มีคนได้รับสิ่งที่ดีด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีข้าพเจ้าไม่มีเหตุผลอะไรจะมารู้สึกต้องจะต้องแข่งคืนใช่ไหมใครจะมาแข่งกับคุณเพื่อจะทําความดีนะปล่อยให้เขาทําไปเลยไม่ต้องไปแบบโกรธเขาหรือว่ารู้สึกอับอายขายหน้าที่เขามาแย่งความดีคุณไปทําหรืออะไรนะดีเลยส่งเสริมกันไปเลยความดีในโลกนี้มันมีเป็นร้อยเป็นล้านชิ้นครับพี่น้อง อย่ามาแย่งกันทําเพียงแค่2อสามชิ้นนี้แล้วก็ชี้นิ้วใส่กันแล้วก็แย่งกันเหมือนเด็กแย่งขนมกันกินอ่ะไปถ้าเขาแย่งความดีคุณไปทําคุณไปหันหันไปหาสิ่งอื่นๆที่ดี ท, ที่ที่มันรอคุณอยู่ใลยครับแสดงว่าพระเจ้าปเปิดช่องให้คุณได้ไปทําความดีอย่างอื่นที่มันมากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับนะอย่าไปเดือดดร้อนใจเมื่อมีคนพยายามจะทําให้คุณดูย่ำแย่จากการทําความดีของเขาให้เราขอบคุณพระเจ้าซะพออย่างน้อยที่สุด ก็มีคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ขาดโอกาสกำลังได้รับความดีนั้นอยู่ใช่ไหมแต่ก็ดีครับที่มีบางคนเนี่ยทำความดีเพื่อจะให้คนอื่นได้รับการเยียวยาเช่นชาวสมอรีผู้ใจดีแรงจูงใจของเขาชัดเจนพระคัมภีร์บอกเลยตั้งแต่ข้อที่บอกว่าคนชาวสมอรีนั้นก็รู้สึกสงสารชาวยูที่กาลังถูกที่ได้ถูกทาลายไปแล้วนะครับนะสงสาร แรงจูงใจเขาคือต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รับชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้พี่น้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยด้วยแรงจูงใจอะไรครับต้องการเรียกร้องการขอบคุณจากเขาไหมต้องการเรียกร้องชื่อเสียงบางอย่างไหมต้องการที่จะให้เข า, เารู้จักชื่อหน้าคุณอะไรงนี้ไหมหรือคุณแค่รู้สึกว่ า, าสงสารเขาและอยากจะเห็นชีวิตเขาดีขึ้นเพราะเนี้ยชายชาวยูคนนี้ที่ไปช่วยชาวสมาเรียนท่ังพี่ไม่ได้บอกด้วยซ้ว่าชาว โทษครับชายชาวสมเรียคนนี้ที่มาช่วยชาวยิวนะขออภัยชายชาวสมเรียคนนี้ที่มาช่วยชาวยิวเนี่ยพระองค์พีไม่ได้บอกด้วยซ้ําว่าชาวยิวที่ถูกช่วยเหลือเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมีสติอยู่หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่ารับรู้หรือเปล่าว่าชายชาวสมเรีเนี่ยชื่อเสียงเรียกนามว่าอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรพระองค์พีไม่ได้บันทึกถึงเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นจุดสําคัญเชื่อกันว่าชายชาวยิวน่าจะหมดสติอยู่ได้ซ้าไปหรือไม่รู้เรื่องอะไรเลย ชายชาวสมอรีเอไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องเครดิตอะไรเขาต้องการเพียงแค่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเขาคือความเมตตาสงสารจบถ้าได้สำแดงแล้วก็พอแหละไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไรขอให้ได้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้รับการผลักดันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะที่จะทําในสิ่งที่มันสมควรจะทําก็แฮปปี้และแค่นั้นเองนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้นสาเสยดา เทษครับมีคนหนึ่งที่ดีมากทีเ่เป็นเหตุผลที่ดีในการที่เราทําดีนะครับก็คือทําดีเพื่อให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าจงระวังอย่าทําศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้ปกครองวราพรที่มาสักครูน่นี้อ่านฉบับอื่นด้วยนะครับให้เราได้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงศาสนากิจแบบว่าต้องเป็นพิธีกรรมเท่านั้น ตั้หมายถึงความดีใดๆก็ตามเพราะว่าหลังจากนี้พระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่กิจทางศาสนาแต่หมายถึงความดีใดๆก็ตามแต่อันที่จริงแล้วถ้าอธิบายต่อคือกิจทุกกิจในชีวิตของคริสเตียนก็คือกิจทางศาสนานะครับเพราะไม่มีกิจใดเลยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมดังนั้นมัน ก, ก็มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่าทํา ศาสนักิจิหรือความดีใดๆเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนอื่นเห็นเพื่อจะอวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นเวลาทำทานอย่าเป่าประกาศเอาหน้าเวลาอธิษฐานอย่าอวดว่าบริสุทธิ์กว่าเวลาถืออดอาหารอย่าสร้างภาพให้ดูดีเห็นไหมครับมันไม่ได้ เก็บอยู่เฉพาะเวลาอยู่ในโบสถ์เวลาอยู่ในกลุ่มเซลล์ไม่ใช่แบบศาสนกิจแบบนั้นแต่ว่าในสังคมทั่วๆไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่ามุ่งหวังที่จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงหรืออย่าให้สิ่งนั้นเป็นจุดแรกที่คุณพยายามจะทําเพื่อสิ่งนี้มีคนบางคนช่วยเหลือคนยากจนเพื่อจะได้ถ่ายรูปกับคนยากจนอันนั้นเขาไม่ได้ช่วยเหลือคนยากจนครับเขากําลังใช้คนยากจนเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้ตัวเองมีเครดิต แต่ผมบอกงี้กันว่าการไปถ่ายรูปกับคนยากจนที่ตัวเองช่วยเหลือนี่ผิดไหมเขาก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันนะผิดไม่ผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํำไงประเด็นผิดไม่ผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําสิ่งนั้นด้วยเหตุผลใดถ้าเราต้องการจะถ่ายรูปกับคนยากจนที่เราไปช่วยเหลือเพื่อจะหนุนใจใครบางคนให้มาช่วยกันบ้างหรือจะหนุนใจใครบางคนให้รู้ว่าเออวันนี้เป็นตัวแทนของพวกคุณนะมาทําสิ่งนี้แล้วเอาถ่ายรูปด้วยกันเพื่อให้รู้ว่า ฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันก็เป็นตัวแทนของพวกเรา <S <S อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะคล้อยไปในทางที่ว่าเอ้ยถ่ายรูปเพื่อจะได้ไปอวดโชว์เพื่อนเพื่อจะได้มีแบบเซล ฟ, ฟี่อะไรแบบนั้นเพื่อจะได้โชว์เพื่อน <S <S 2> <S 2> ทันทีที่คิดจะโชว์เพื่อนเนี่ยเราเริ่มจะตกขอบแล้วให้เราดึงตัวเราเองกลับมาให้เราดึงจิตใจของเรากลับมาเพื่อเราจะไม่กลายเป็นแบบนั้นถ้าเรายังคิดแบบนั้นอยู่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเลยถ่ายเฉพาะคนที่เอ่อกำลัง ที่เราจะอยากให้ถ่ายแต่ก็ต้องขอให้มีความเป็นส่วนตัวบ้างนะไม่ใช่แบบว่าคือคือผมเห็นบางครั้งที่ผมก็รับไม่ได้เพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยพี่น้องครับแบบว่าเขาไปทําให้คนยากจนเนี่ยดูแย่ไปกว่าเดิมอะ่ะคือคนยากจนเขาไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแต่ว่าไปใส่น่นใส่นี่ทําให้คนยากจนดูแย่ไปกว่าเดิมแล้วก็ทำไมครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเพื่อที่จะบอกว่าฉันมาช่วยคนที่แบบดูแย่มากๆเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการสร้างภาพมันเป็นการทําในสิ่งที่ไม่ไม่เหมาะสมในการที่ จ ะ, ะช่วยเหลือคนบางคนไปเยี่ยมคนป่วยครับแต่ว่าใช้เหตุผลในการที่จะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยแวะไปนู่นแวะไปนี่ระหว่างทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่แรงจูงใจที่ถูกต้องถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเราไม่ได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่เรากําลังช่วยเหลืออยู่น่าเสียดายเราเพียงแค่ใช้เขาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างภาพให้กับตัวเราเองและถ้าทําแบบนั้นพระเจ้าจะไม่ประทานบําเหน็จให้กับคนที่มีแรงจูงใจ ที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าสิ่งที่ทำจะดูดีและเป็นสิ่งที่ดีในสายตาของมนุษยก็ตามประการต่อมาครับนะครับพระองค์พี่ต่อมาบอกว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ไม่ใช่เพื่อสรรเสริญตัวเราแต่เพื่อสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ทำยังไงดีครับพี่น้องที่ทําให้ความดีที่เราทำเนี่ยกลายเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านั่นแหะครับมันจะเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสมถูกต้องนะครับคราว น, นี้เร า, าตอบคำถามนี้ด้วยกันด้วยข้อเพิ่มเพียรหลายข้อว่าทําไมเราต้องความความดีด้วยท่าทีที่เหมาะสมอันที่หนึ่งเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอ่านด้วยกันนี้ไหมครับหนึ่ ง, ส, งสาเราคือพระยาเวตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขา ตามผลแห่งการกระทําของเขาตามพฤติการตามผลแห่งการกระทำเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดถึงผลแห่งการกระทําของร่างกายแต่พูดถึงผลแห่งการกระทําของจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อความตอนต้ น, นบอกว่าอะไรเราคือพระยาเว์ตรวจค้นดูร่างกายพฤติกรรมใช่ไหมไม่ใช่ตรวจค้นดูจิตใจแล้วทดสอบดูใจพระเจ้าเช็คแรงจูงใจในสิ่งที่เราทําพระเจ้าทรงเช็คแรงจูงใจพระเจ้าตรวจสอบแรงจูงใจของเราเวลาทําอะไรก็ตามพระเจ้าถามรเร า, าว่าทําเพื่ออะไรลูก ทำไปทําไมลกแล้วถ้าเราตอบพระองคไม่ได้ว่าทําสิ่งนี้เพื่อเหตุผลอะไรยุ่งแหะครับเราต้องรีบกลับใจใหม่แต่ว่าอย่าหยุดทําความดีนะครับความดีต้องทําต่อไปไม่ใช่ว่าเออไปฟังเทศมาวันนี้เขาบอกว่าถ้าทำดีด้วยเหตุผลไม่ดีก็ไม่ต้องทํามันเลยแต่ตอนนี้ยังหาเหตุผลที่ดีๆไม่ได้ก็เลยไม่ต้องทํามันเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้บํบบาเห็จเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าสีธนนทชัยเกิดผิดยุค น, นันก็คือแบบว่าพยายามจะเอาเปรียบคําเทศนาเอาเปรียบหาช่องให้ได้ในการที่จะ หยุดที่จะทำสิ่งที่ดีหรือไปทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อจะหาคำเทศนามาสนับสนุนพี่น้องครับผมต้องอธิบายมากไปกว่า น, นี้เลยใช่ไหมใจเรารู้จิตวิญญาณเรารู้ว่าอะไรคืออะไรทำความดีต่อไปสิ่งที่เราควรจะสิ่งที่เราควรจะทำคือไม่ใช่หยุดทำความดีแต่สิ่งที่เราควรจะทำคือปรับทัศนคติในการทำความดีของเราที่เราทาอยู่นะครับข้อต่อมานะครับให้เราอ่านด้กันนะครับหนึ่ ง, ส, งสา แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านทาทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพเนตร์ของพระเจ้าสิ่งที่มนุษย์อาจจะยกย่องชมเชยปรบมือให้คือมาจากท่าทีที่ผิดแต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยและทรงเกลียดชังสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ผิดอย่าใช้ คนยากจนในโลกนี้อย่าใช้คนเจ็บป่วยอย่าใช้คนที่กําลังด้อยโอกาสเป็นเครื่องมือในการยกตัวเองขึ้นแต่จงไปด้วยจิตใจแห่งการที่อยากจะเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจงไปด้วยกันอยากจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาจริงๆแล้วถ้าเขาจะชมคนบ้างเขาจะแบบยกย่องคนบ้างก็ก็ขอให้เป็นเพียงแค่น้ําหอมน้ําหอมเนี่ยดมแล้วหอมดีใช่ไหมครับนะแต่ถ้าดื่มเข้าไปเป็นไงครับเข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะอย่าดื่ม อย่าเอาจิตวิญญาณของคุณไปดื่มน้ำหอหมลำนั้นดมก็พอละห อ, อมดีคำชงเฉยแต่ดื่มเข้าไปแล้วก็เสร็จแน่นอ น, เ ป, นเป็นภัยต่อชีวิตนะครับประการต่อมาให้เราอ่านพร้อมกันหนึสองสเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่จิตใจอีกข้อนครับหนึ่งสองสทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเอง แต่พระยาเวทรงตรวจดูจิตใจนะครับทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองเขาทําไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันถูกต้องมันเขาก็มีบรรทัดฐานของเขาเองที่จะแก้ตัวหรือที่จะอธิบายตัวเองในสิ่งที่เขาทําเราพยายามจะคุยกับเขาว่าเอออย่าทําอย่างนี้นะมันไม่เไม่เหมาะนะการที่เราแบบว่าใช้คนยากจนมาเป็นเครื่องมือในการที่จะยกตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยมันมั น, ม, นมันไม่เหมาะนะ เขาโกรธผมเขารู <höher na. S 1> along, ้สึกว่าผมไปไปทำลายทําให้เขาท้อใจหรืออะไรผมบอกว่าก็คือผมถ้าผมสงสัยผมจะไม่พูดเลยนะแต่นี้ผมไม่ได้สงสัยผมเห็นว่ามันชัดเจนอยู่เพราะสิ่งที่คุณพูดออกมาจากปากเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในตัวเพราะเพราะคุณกําลังพยายามคุณโกรธที่ที่คนอื่นไม่ไปทํำพร้อมกับคุณคุณโกรธที่ที่คนอื่นเนี่ยไม่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําคุณโกรธเพราะว่าอุตส่าห์ถ่ายรูปมาให้ดูทําไมไม่เห็นคุณค่าเลยผมบอกว่า นี่คุณกําลังโกรธเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคุณคุณโกรธทําไมใช่ไหมแรงจูงใจกําลังบอกผมว่านี่คุณผมถามจริงว่าคุณไปช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยเพราะอะไรสงสารเขาผมว่าสงสารเขาก็พอแล้วก็จบแล้วนี่ถ้าคนอื่นไม่ได้ไปร่วมมือกับคุณนี่คุณโกรธเขาทําไมใช่ไหมเพราะคนอื่นเห็นรูปแล้วไม่ได้ทําตามคุณคุณโกรธเขาทําไมทุกคนต้องทําเหมือนที่คุณทําเหรอนี่เป็นความเดียวในโลกที่มีในโลกนี้เหรอคนอื่นทำความดีอย่างอื่นไม่ได้เหรอทุกคนต้องมาดูพันธกิจของคุณเหรอ ผู้อย่างนี้น่าโกรธไหมผมก็เป็นคนอย่างนี้แนะมันก็น่าโกรธผมนี่โกรธตัวเองเลยเวลาที่พูดอย่างนี้แต่ว่าก็ผมเป็นผู้เผยวพนะเจ้านะผมก็ต้องถามตรงๆเพราะว่าถ้าผมแบบว่ารักเขาแล้วพอปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องต่อไปผมก็คงไม่ได้รักเขาจริงๆหรอกแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราคืนดีกันขอบคุณพระเจ้าเขาไม่ได้โกรธผมแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ ท, ที่เราเราวันวันที่ผมผิดเขาก็เตือนผมได้เขายังเคยเตือนเรื่องทรงผมผมเลยว่าเปลี่ยนทรงผมเถอะอะไรนี้ ผมยังไม่โกรธเขาเลยที่ผมเตือนเขาบ้างทําไมโกรธใช่ไหมผมก็ผมก็พูดเล่นนะแต่ว่าหลายเรื่องก็มีที่เขาเตือนผมทั้งทที่ทัทง้ทงๆที่เราน่าจะเป็นพูดกันในสถานะนะเร า, าน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลแฝงวิญญาณเขานะแต่เขาก็มาเตือนเราหลายเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเขาไม่เตือนแล้วใครจะเตือนนะเพราะว่าคนอื่นก็เกรงใจเราใช่ไหมแต่ถ้าเขาก้าเตือนเราก็ต้องกล้าฟังแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะฟังซึ่งกันและกันแต่ถ้าถึงเวลาที่ผมเตือนผมก็เตือนบ้างนะ แ, แต่ผมเตือนด้วยใจรักผมไม่ได้เตือนด้วยความรู้สึกว่าจะต้องตัดสินอะไรกันแต่ว่าอยากจะเห็นเรามีแรงจูงใจที่ดีจริงๆในการที่จะทําในสิ่งที่ดีที่เราทําที่มันน่าเชื่นชมอยู่แล้วขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงศ์หลายพระองค์เจ้าข้าขอทรงตรวจจิตใจของพวกข้าพรงศ์ในเวลานี้ถ้ามีมุมหนึ่งมุมใดที่มีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องอยู่ขอทรงโปรดชําระ ขอส่งผลอภัยขอส่งโปรดส่องแสงสว่างของพระองค์เข้ามาในมุมมืดแห่งจิตใจของข้าพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้กระจ่างแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นออกจากจิตใจพวกข้าพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเพื่อพวกข้าพระองค์จะร่วมกันถวายเกียรติพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําเนิดของความดีทั้งมวลและพระองค์เท่านั้นที่สมควรได้รับเกียรติจากความดีที่แต่ละคนได้ทําในกําลังของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาที่พวกข้าพรงจะเริ่มต้นทำดีให้มากยิ่งขึ้นและทำดีได้ถูกต้องยิ่งขึ้นและทำดีด้วยเหตุผลที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอธิษฐานขอกำลังและขอการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับ